50 languages. t w e n t y f i e t e n t y i h e c i t Sharewich. Di, c h a n t to g kaan pai the i t h a n i r o t f a i o n Ma station jana c h o n d a ha. Ma station jana chondi ha. ดิฉันต้องการไปที่สนามบินแม่ ह व วาย ड ् ड े ज า न ा च จนด้าฮ่าแม่ฮาวายเดย์จานาโจนดีฮ่ดิฉันต้องการไปที่ย่านใจกลางเมืองแม่เชอร์จานาโจนด้ंฮ่าแม่เชอร์จานดี่ิฉันจะไปสถานีได้อย่างไรคะแม่สเตชั क िิेมจาวะ ดิฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะแมฮวายเอ็ดเดกิเวจามาดิฉันจะไปย่านใจกลางเมืองได้อย่างไรคะแม่แชร์กิเวจามาดิฉันต้องการแท็กซี่เมนูกแท็กซี่ใช่ดีหดิฉันต้องการแผนที่เมือง เมนูเช่ารถได้เอกหนักช้ดิฉันต้องการโรงแรมเมนูเอกโฮเทลใจดดิฉันต้องการเช่ารถยนต์แม่เอกก๊คราเยตลนีเนี่บัตรเครดิตของดิฉันค่ะเมีระครดิ นี่ใบขับขี่ของดิฉันค่ะไอ้แฮมเมราไลเซนส์แฮะในเมืองมีอะไรให้ดูบ้างคะแชร์วิชเวกขันยกกี้กี้แฮะคุณไปเมืองเก่าสิคะตุสีปุราเนเอนแสร์วิชจาเอคุณไปเที่ยวรอบเมืองสิคะตุสีแสร์ดรชนโร คุณไปที่ท่าเรือสิคะตุสีบันดารกาตเทจาวไปเที่ยวรอบท่าเรือสิคะตุสีบันดารกาตดัรชนก์ครอยังมีที่เที่ยวที่อื่นที่น่าสนใจอีกไหมคะอิสโตเบนาโอร์เวคขนไลก์กีแหะกรุณาไปที่ www. t o d e สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด